ผู้ปฏิบัติธรรมผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนนักรบที่ทำสงครามต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเวลาออกรบในยาเป็นจะต้องมีอาวุธติดตัวไว้ป้องกันตนเองและทำลายข้าศึกศัตรู อาวุธของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญจิตภาวนานี้ก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันเรียกว่าอารักกกรรมฐานกรรมฐานที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้เข้าสึกศัตรู มาทำลายทำให้ไม่สามารถเอาชัยชนะเข้าศึกศัตรูได้เอาวุธนี้มีอยู่สี่ชนิดคือหนึ่งพุทธานุสติการลำลึกถึงพระพุทธเจ้าสองเมตตา ความคิดดีพูดดีทำดีต่อผู้อื่นสามอสุภะการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายและสี่มรณานุสติการระลึกถึงความตายของบุคคล ทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพราะภัยหรือข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายการบําเพ็ญการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความเสื่อมในศรัทธาความเสื่อมในการปฏิบัติ ไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะยอมแพ้จะยกธงขาวสองความโกรธเกลียดผู้อื่นสามความรักใครผู้อื่นคือกา ม, มีกามอารมณ์ และสี่ความฟาุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้เวลาเกิดมีข้าศึกศัตรูเหล่านี้มา เจ้าทำลายการปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็ต้องใช้อาระกะักรรมถานี้เป็นเครื่องมือไว้ทำลายไว้ปกป้องตนเองเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนนั้นได้บรรลุ ถ, ถึงจุดหมายปลายทางได้ชัยชนะเช่นเวลาที่เกิดความรู้สึก เสื่มศรัทธาไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะบำเพ็ญอยากจะยกธงขาวอยากจะยอมแพ้ก็ให้เราลึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ายกธงขาว พวกเราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นพระบรมศาสดามาเป็นอาจารย์มาเป็นที่พึ่งของเราแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่เคยยกทงขาวไม่เคยยอมแพ้ทรงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะทรงยอมสละทรัพย์สละอวัยวะ สละชีวิตเพื่อทมเพื่อพระนิพพานเพื่อใช้ชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อการหลุดพ้นจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดที่พระองค์ได้ทรงติดอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อและเลกถึงพระพุทธเจ้า เราลึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ยกทงข่าวจะบาเพ็ญจะปฏิบัติจนได้ชัยชนะในที่สุดได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาด้วยอำนาจของการลำลึกถึงพระพุทธเจ้าดำาลึกถึงวิธีการปฏิบัติวิธีการต่อสู้ของพระพุทธเจ้า ก็จะทำให้การปฏิบัตินี้ไม่ล้มเหลวไม่ยกถงขาวยามที่เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเนื่องจากการปฏิบัติอาจจะไม่เคลืบหน้าตามความอยากตามความปรารถนาก็ได้นี่คืออารักกรรมฐานหรืออาวุธเช่น ที่หนึ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีติดตัวเอาไว้เสมอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าและให้ระลึกถึงพระอรหันตสาวกผู้ที่เชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างไม่เสือ่อมคลายปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็ได้บรรลุผลเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาผู้ปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกที่ได้ชัยชนะมาก่อนแล้วถ้าดำเนินตามพระพุทธเจ้าดำเนินตามพระอาหารหันตสาวกก็จะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่มีวิธีอื่น ไม่มีการยอมแพ้ไม่มีการกลัวความตายกลัวความยากลำบากเพราะนิพานนี้อยู่ฝากตายผู้ใดที่ต้องการไปนิพานนี้ต้องไม่กลัวตายต้องยอมตายเท่านั้นถึงจะไปถึงพระนิพานได้ความตายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาปกติ ที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตายเหมือนกันเออแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยอมตายนี่ก็จะได้มากผลนิพพานแต่ถ้าไม่ยอมตายกลัวตายก็จะต้องยกธงขาวจะต้องยอมแพ้ก็จะไม่ได้ชัยชนะ ก็เหมือนกับการไม่ได้ปฏิบัติการไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ชัยชนะการปฏิบัติแต่ยอมแพ้ก็ไม่ได้ชัยชนะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายปฏิบัติแบบไม่ยอมแพ้ก็ตายแต่ได้ชัยชนะได้พระนิพพานปฏิบัติแบบยอมแพ้ก็ตายเหมือนกัน แต่ตายแบบไม่ได้พระนิพพานไม่ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะพิจารณาในเวลาที่มีความท้อแท้ท้อถอยท้อแท้หมดกำลังจิตกำลังใจที่จะบำเพ็ญให้ระลึกถึงผู้นำผู้ที่ได้ชัยชนะแล้ว ว่าท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความท้อแท้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่ท่านไม่ยอมถอยสู้ไม่ถอยท่านจึงได้ชายชนะไปในทไปในที่สุดเราก็จะได้ชายชนะเหมือนกันถ้าเราสู้ไม่ถอยนี่เกือ เรื่องของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติเพื่อที่จะสุูกกำลังใจความกล้าหาญความอดทนความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติข้อที่สองคือความเมตตาผู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติบางเวลาก็จะเกิดความโกรธความโมโหขึ้นมาได้ อารมณ์ไม่ดีได้เนื่องจากการปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่ต้องการหรือมีบุคคลนั้นบุคคลนี้มารบกวนใจมาขัดมาขวางการปฏิบัติก็อาจจะเกิดความโกรธเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทำให้ไม่สามารถภาวนาทําจิตใจให้สงบได้ เวลานั้นก็ควรที่จะแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือมีหลายลักษณะด้วยกันหนังที่เราได้สวดกันไว้สเปสตาอเวลาหนตุก็คือ 1. อเวลาหนตุสองอัปยาปชาหนตุการไม่เบียดเบียนกันอานิคาหนตุการไม่ทําร้ายกัน การปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขปราศจากความทุกข์นี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาอาเวลาฝนตกก็คือไม่จองเวรกันเวลาใครทำให้เราโกรธเราจะไม่โกรธตอบจะไม่อาคตาพยาบาทจะให้อภัยถือว่าเขา อาจจะทำไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาความวุ่นวายใจของเราไม่ได้ดับไปด้วยการไปจองเวรจองกรรมผู้ที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจแต่การวุ่นวายใจของเรานี้จะดับไปด้วยการให้อภัยไม่จองเวร เวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีโกรธใครเกลียดใคร น, ครนี้ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เช่นเดียวกันการกระทาอะไรอย่าไปเบียดเบียนไปอย่าไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้ผู้อื่นเขากโกรธแค้นโกรธเคือง และอาจจะมาสร้างอาความวุ่นวายให้กับเราได้มาตอบโต้มาจองเวรจองกรรมกับเราฉะนั้นเราต้องไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าความเมตตาอีกประการหนึ่งก็คือ ให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นตามกำลังตามฐานะที่เรามีที่เราพอจะแบ่งปันได้มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ได้ก็แบ่งปันกันไปผู้ปฏิบัติธรรมบางทีเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลกัน อันนี้ก็เรียกว่าความเมตตาจะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นสงบเยน็นสบายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะไม่มีภัยที่เกิดขึ้นจากอาวุธสัตวอาวุธจากยาพิษคือจะไม่มีใครคิดฆ่าผู้ที่มีความเมตตา ด้วยอาวุธรือด้วยยาพิษ เ, เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆ จนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่คืออาวุธชิ้นที่สองที่นักปฏิบัติควรที่จะมีติดตัวไว้เสมอคือความเมตตาอย่ามีเฉพาะตอนที่นั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดแผ่เมตตาเวลานั้นเป็นการเตรียมตัวเตรียมเอา อาวุธนี้เอาไว้ติดไปกับใจเป็นเอาพบพาเวลาที่จะใช้อาวุธนี้ต้องเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาที่พบปะกับบุคคลต่างๆเวลานั้นต้องแผ่เมตตาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นเวลาผู้อื่นทําอะไรให้เดือดร้อนก็จะไม่ตอบโต้ จะให้อภัยเวลาทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาแต่จำเป็นจะต้องคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆเช่นการสวดนี่เป็นการเตือนการสอนไม่ได้เป็นการแผ่ เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็สวดสับเบสัตตาอเวราหตุสับเบสัตตาอปยาปชาหุนตุสับเบสัตตาอานิกาหตุสับเบสัตตาสุขีอัตนานปะริหารตุอันนี้เป็นการทําการบ้านเป็นการสอนใจเตือนใจให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ อยู่กับใจเวลาที่ไปพบปะกับบุคคลต่างๆจะได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ถ้าไม่ได้เตือนใจไว้ก่อนเวลาไปพบปะบุคคลไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้อาจจะเกิดการกระทาทีาท่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายขึ้นมาได้ เวลาผู้อื่นทำอะไรให้เราเดือดร้อนเสียหายก็จะโกรธเกลเียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้เวลาที่มีอะไรควรจะแบ่งปันก็อาจจะไม่ได้แบ่งปันนี่คือความเมตตาต้องเข้าใจว่าต้องทำในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงคือพบะกับบุคคลต่างๆ การที่เราอยู่ตามลำพังแล้วสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างใดเพราะไม่มีใครมารับการแผ่เมตตาของเรานั่นเองเป็นการสอนเป็นการเตือนใจการแผ่เมตตาเช่นตอนเช้าใส่บาตรให้พระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาการให้ความสุขแก่ผู้อื่นมีข้าวมีของซื้อไปฝากเพื่อน หรือไปฝากคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาใครทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเวลาทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้จิตใจสงบเย็นสบายไม่มีอุปสรรคในการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่คือ อาวุธชิ้นที่สองที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีพกติดตัวไว้ตลอดเวลาคือความเมตตาอาวุธชิ้นที่สามก็คืออสุภะคือการดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่สวยหรือเวลาที่สวยที่งามที่น่าดูที่น่ารักใครททำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมา และมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่ารักใครเวลาเห็นแล้วจะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะมักเห็นแต่ส่วนที่สวยงามกันเพราะว่าเวลาคนออกจากบ้านนี้มากจะต้องแต่งหน้าทาปากแต่งกายให้ดูสวยงามกันจึงไหม จึงเห็นแต่ส่วนที่สวยงามของร่างกายจึงมักทำให้เกิดการมารุมขึ้นมาการมารุมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี้เป็นอันตรายเป็นศัตรูต่อความสงบเพราะเวลาเกิดการมารุมแล้วใจจะไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบเพื่อจะได้บําเพ็ญเจริญ ปัญญาจเจริญสมาธิได้ต่อยึดได้อย่างต่อเนื่องเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจำเป็นจะต้องกาจัดและสิ่งที่จะกาจัดการอารมณ์ได้ก็คือการดูดรือ ก, การนัลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายดูตอนที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านดูตอนที่ตื่นนอนขี้ตา ย, ยังติดอยู่ผมเพพายังไม่ได้หวี หรือดูตอนที่ร่างกายสปกปรกไปทํางานออกกําลังกายมีเหงื่อกายส่งกลิ่นเหม็นออกมาไม่ได้อาบน้ําอาบท่าหรือดูตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือดูตอนที่เป็นคนแก่เป็นชะลาหนังเหี่ยวย่นผมเผพ้วร่วงผมหองอก หลังคอมหรือดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาคนตายนี้น่ารักน่าใครหรือไม่หรือจะดูส่วนที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ตกเป็นทุ่มห่อด้วยผิวหนังก็ได้ดูเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง ดูโครงกระดูกดูกระโหลกศรีรษะหรือดูอวัยวะน้อยใหญ่เช่นหัวใจตับปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องศึกษาต้องหมั่นดูอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ฝังอยู่ในจิตในใจเวลาที่ไปเห็นส่วนที่สวยงาม แล้วเกิดการมารมณ์ขึ้นมาก็ควรนําลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามถ้าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ฝังเอาไว้ในใจเวลาเกิดการอารมณ์แล้วจะนึกไม่ออกมองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามจะเห็นแต่ส่วนที่สวยที่งามก็จะทำให้จิตใจนั้นกวลกวายกระสับกระสาย จ, จิตใจไม่สงบ จ, จิตใจวุ่นวายไม่สามารถบำเพ็ญไม่สามารถปฏิบัติทําได้และอาจจะถึงกับยกธงขาวไปก็ได้ถ้าเป็นนักบวชหรือถ้าเป็นผู้ที่ถือศีลแปดก็จะอาจต้องเลื่อนมาถือศีลห้ากันถ้าถือศีลห้าก็จะไม่มีกำลังที่จะบำเพ็ญ ที่จะยกจิตให้ขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คืออวุธเชนที่สามคือการระลึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่าดูแต่ส่วนที่สวยที่งามเพราะจะทำให้เกิดความลักใครขึ้นมาเกิดการมารณมขึ้นมาให้มองส่วนที่ไม่สวยไม่งาม แล้วจะดับความลักความใคร่ความาความอยากมีการเสพการขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้จิตใจนั้นตั้งอยู่เป็นปกติเพื่อจะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างสะดกสบายต่อไปนี่คืออาวุธเช่นที่สามคืออสุภะให้มัน พิจารณาอยู่เรื่อยๆอวุชิ้นที่สี่ก็คือมรณานสติคือความคิดถึงความตายของร่างกายต่างๆของบุคคลต่างๆทั้งของเราและของผู้อื่นและของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันหมดความหมายไปเวลาที่ร่างกายของ เราหรือของคนนั้นคนนี้ถึงแก่ความตายไปจิตใจเรามักจะฟุ้งซ่านวุ่นวายกับเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับวัตถุเข้าของต่างๆแต่แพอเราเลึกถึงความตายมันก็จะทําให้เราหายฟุ้งซ่านได้เพราะว่าพอตายไปแล้วมันก็จะมีอะไรต้องไปฟุ้งด้วยคนตายแล้วไม่มีปัญหากับใคร ก็ไม่สามารถที่จะไปมีอะไรกับใครได้ไม่สามารถที่จะไปครอบครองสมบัติข้าวของเงินทองลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆได้ฉันถ้าเราเลึกถึงความตายแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ได้มาแล้วในที่สุดก็จะต้องหมดไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุ ก, ก็ตาม เ, ออเวลาฟุ้งซ่านเพราะกลัวจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ออพอเราลึกถึงความตายแล้วมันก็จะหายฟุ้งซ่านเพราะมันจะเห็นว่าในที่สุดมันก็ต้องสูญเสียไปด้วยกันทุกคนคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ในที่สุดก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคน อย่าไปวุ่นวายไปวิตกกังวลกับเขาอย่างไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจไปเปล่าๆจะไปทําจะไปแก้อย่างไรมันก็เป็นการกทําเป็นการแก้ชั่วครั้งชั่วคราวไปในที่สุดมันก็จะแก้ของมันไปในตัวของมันเองเวลาตายไปแล้วคนตายนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้ว ฉันขอให้คิดอย่างนี้คิดถึงความตายของเราคิดถึงความตายของบุคคลที่เราวิตกกังวลห่วงใยวุ่นวายใจกับเขาเอพอคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเอคิดแค่นี้มันก็ทําให้เรื่องราวต่างๆมันหมดปัญหาไปปัญหามันมีอยู่มีอยู่กับคนเป็นเท่านั้นแต่คนตายนี้ไม่มีปัญหากับใคระ ดันั้นหัดอยู่แบบคนตายแล้วจะสบายใจขอให้เราคิดว่าเราตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เราเป็นเหมือนผีมามาดูเหตุการณ์ต่างๆผีทำไรายได้กับเหตุการณ์ต่างๆไหมคนที่ตายไปแล้วเมื่อวานนี้จะมาแก้ปัญหาต่างๆที่กําลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าเช่นลูกเรากําลังจะไปทำอะไรม่ดีมิร้าย เราไปแก้ปัญหาของลูกเราได้หรือเปล่าอสามีของเราจะไปมีแฟนใหม่เราจะไปห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่ตายไปแล้วเมื่อวานนี้เราจะไปทําอะไรได้เราก็ดูไปอย่างนั้นเองถ้าดูไปด้วยความวุ่นวายใจก็ทุกไปเปล่าๆถ้าดูไปด้วยความอยากให้เขาไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ใจก็จะวุ่นวายไปเปล่าๆ แต่ถ้าดูแบบคนดูหนังดูภาพยนตร์ว่ามีหน้าที่ดูเพลงอย่างเดียวไปเปลี่ยนภาพยนตร์ไม่ได้ไปเปลี่ยนบทของผู้แสดงในจอภาพยนตร์ไม่ได้เหตุใดถ้าเราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนตายไปแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นเหมือนกับภาพยนตร์เราเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์ก็มีหน้าที่ดูไป ดูเขารักดูเขาชังดูเขาโกรธดูเขาเกลียดดูเขาได้ดูเขาเสียดูเขาเป็นดูเขาตายมันก็มีเท่านี้โลกนี้มันก็เป็นเหมือนโรงละครใหญ่ๆดีๆนี่เองคนที่มาเกิดนี่ก็เป็นเหมือนตัวละครแต่ละคนก็มีกรรมเป็นผู้กำกับมาให้แสดงบทต่างๆเราเป็นคนดูเราจะไปจัดการกับคนแสดงไม่ได้เราไม่ใช่เป็นผู้กำกับ ผู้กำกับโรงละครนี้คือบุญกรรมที่ตัวละครแต่ละตัวนี้ได้สร้างมาที่เขาแสดงบทบาทต่างๆนี้เป็นผลเกอของบุญของบาปที่เขาทํามาทั้งนั้นเป็นบทเป็นผลของกรรมนกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่แหละคือ ความจริงของชีวิตของทุกๆคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะไปเป็นผู้กำกับชีวิตของผู้อื่นเราก็จะวุ่นวายไปเปล่าๆเพราะเราจะไม่สามารถที่จะไปกำกับไปควบคุมบังคับให้เขาเล่นตามบทที่เราต้องการให้เขาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราบริษัทของเรา คนงานในบริษัทของเรามนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้คนที่เราพบะรู้จักหรือไม่รู้จักเราจะไปเป็นผู้กากับชีวิตของเขาไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เราวุ่นไปเปล่าๆนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณา ถ้าเราพิจารณาว่าเราตายไปแล้วนี่ใจเราจะสงบทันทีเราหมดหมดหน้าที่เป็นผู้กํากับทันทีเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูภาพยนตร์เท่านั้นดูละครโรงใหญ่โรงนี้ก็คือโรงละครน้าเน่าดีๆนี่ละครน้ําเน่าต่างๆมันเอาบทมาจากที่ไหนมันก็เอามาจากโลกที่เราอยู่นี่แหละเอาเรื่องของคนที่เรา ปกปะได้ยินได้เห็นนี่แหละแล้วเขาก็เอาไปทําเป็นละครขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเท่านั้นเองแต่เรื่องก็เป็นเรื่องแบบเดียวกันมีเรื่องรักเรื่องชังเรื่องฤติยาเรื่องอาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเรื่องแก่งแย่งชิงดีเรื่องเจริญเรื่องเสื่อมในราบยศสนเสริญเรื่องเกิดแก่เก็บตายนี่แค่นี้ เป็มลงละครเราเป็นเหมือนคนดูแต่เราไม่หน้าที่เราไม่รู้หน้าที่ของเราเรากลับไปคิดว่าเราเป็นผู้กํากับกันโดยอยากจะไปกํากับคนนั้นคนนี้ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความกโกรธความเกลียดขึ้นมาซีตอนต้น ก, ก็รักเขาอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็กลับไปโกรธเป็นเกลียด แทนที่แทนที่จะเป็นมิตรก็เลยกลายเป็นศัตรูกันไปนล้วก็อาจจะเกิดการทำร้ายกันขึ้นมาได้พราไม่รู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานี้เป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นผู้รู้เท่านั้นให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่า อะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับแล้วไหนที่สุดมันก็จะดับกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นใครทั้งทั้งนั้นในที่สุดก็ต้องตายกันไปทั้งนั้นเราก็ต้องตายไปเขาก็ต้องตายไปอีกร้อยปีนี่พวกเราจะอยู่ตรงนี้จะกลับมาประชุมกันตรงนี้ได้หรือเปล่าอีกร้อยปีเราหายไปไหนแล้วเราตายไปแล้ว ปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจให้แก่เรามันก็หายไปหมดแล้วเหมือนก่อนที่เกิดในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนี้มีอะไรหลงเหลือบ้างไม่มีอะไรหลงเหลือหายไปหมดแล้วฉันใดเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังวุ่นวายใจกันกังวลกันวิตกกันห่วงใยกันเดี๋ยวมันก็หายไปหมดแล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรพิจารณานี่คือความหมายของการเจริญมณนะสติไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าตายตายคำเดียวเท่านั้นเพราะว่าคิดว่าตายนี้มันไม่มันไม่กว้างขวางพอมันอาจจะไม่สามารถไประ ง, งับความวุ่นวายใจของเราได้เราต้องคิดให้มันกว้างขวางออกไป นี่คือกรรมฐานสี่ชนิดด้วยกันที่นักปฏิบัติผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาควรจะมีไว้ติดตัวอยู่เสมอวิธีที่จะมีไว้ติดตัวอยู่เสมอก็ควรจ ะ, จะเจริญทุกทุกวันนอกจากการจเจริญสติตามปกติแล้วก็ควรที่จะมีเวลามาจเจริญ มีเจริญพุทธานุสติมีเวลามาเจริญเมตตาภาวนามีเวลามาเจริญอสุภกรรมฐานและมีเวลามาเจริญวรณ า, านุสติกันสลับกับการบำเพ็ญตามปกติเช่นเจริญกายคตาสติหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เราก็ทําไป บางเวลาเราก็พักได้แล้วเราก็มาเจริญพุท ธ, ธานุสติบ้างเจริญเมตตาภาวนาบ้างมาเจริญอสุภะบ้างมาเจริญมรณานุสติสลับกันไปบ้างก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีอาวุธไว้อยู่ใกล้ตัวเราอาวุธนี้ก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟถ้าเรามีเครื่องมือดับเพลิงติดไว้ในบ้าน เวลาเกิดไฟไหม้บ้านเราก็จะหยิบมาดับไฟได้อย่างทันท่วงทีถ้าเราไม่ซื้อมาติดตั้งไว้ที่บ้านเวลาเกิดไฟไหม้โทรไปเรียกหน่วยกู้ภัยมากว่า จ, จะมาถึงบ้านอาจจะไหม้หมดไปแล้วก็ได้ทันใด อ, อาวุธที่เราจะต้องมีไว้คอยทำลายความวุ่นวายใจต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมศรัทธาในการปฏิบัติที่เกิดจากการมีความโ ก, กรธเกลียดอาฆาตพยาบาทที่เกิดจากการมีกามอารมณ์ที่เกิดจากการมีความวุ่นวายใจวิตกกังวลห่วงใยกับบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราไม่มี น้ำมันดับไฟไม่มีอารักขะกรรมฐานทั้งสีน่นี้ใจของเราก็จะวุ่นวายไปทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้และอาจจะต้องล้มเหลวไปในที่สุดก็ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีติดตัวไว้ตลอดเวลาถ้ามีแล้วเราจะจิตใจของเราจะปลอดภัย การบำเพ็ญของเราจะก้าวหน้าไปตามลำดับจะไม่มีอุปสรรคมาคอยขวางกัน้นไม่มีข้าศึกศัตรูที่จะมาล้มการปฏิบัติของเราได้เพราะเรามีอาวุธไว้ป้องกันไว้ทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาคอย ทำลายความเพียรของพวกเรานั่นเองถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็จบความเพียรนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้ในการบําเพ็ญในการปฏิบัติถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่สามารถเจริญสติได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถทําใจให้เป็นสมาธิได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญาในการทําลายกิเลสตัณหาผู้ที่สร้างความทุกข์สร้างภพชาติให้กับเราได้เราต้องมีความเพียรการจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีอาวุธไว้ป้องกันความเพียรคืออารักขะกรรมฐานทั้งสี่ชนิดนี้ เพราะถ้าไม่มีเวลาเกิดความเสื่อมศรมัทธาการหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติก็จบยกธงขาวหรือการเกิดความโกรธความเกลียดก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปตกนรกบกไหมอย่างพระเทวทัศน์เป็นต้น พระเทวทัตก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตที่พระเทวทัตได้ขอขอได้ขอให้เป็นผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแต่พระเทวทัตนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และถึงแมาจา้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะปกครองสงได้ พอผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างอัครสาวกทั้งสองพระ อ, องค์คือพระโมกขลากับพระสาวริบุตรพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านทั้งสองนี้ท่านพระพุทธเจ้ากับมอบไว้ให้กับธรรมวีไนคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอมตะอยู่ได้ยาวนานกว่า บุคคลต่างๆมอบให้กับภาษาลิบุตรเดี๋ยวภาษาลิบุตก็ตายไปก็ต้องมอบให้กับคนนั้นคนนี้ต่อไปแล้วคนที่มารับมอบนี้จะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ก็ไม่แน่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มอบให้ใครมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแต่ทรงมอบให้กับพระธรรมวีหนย่ยคือคําสอน ของพระพุทธเจ้า ท, ที่ได้สงสอนไว้ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่แล้วก็มีการจดจำมีการจารึกไว้ในพระตไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นพระษาสดาพอพระพระเทวทัตไม่ได้รับมอบหมายก็เกิดความโกรธขึ้นมาโกรธพระพุทธเจ้าจึงพยายาม ฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันถ้ามีมีความเมตตาอยู่ในใจก็จะสามารถที่จะระ ง, งับความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนี้ได้แต่ไม่มีไม่ได้เจริญอพอเกิดถูกความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทครอบงำจิตใจก็เลยคิดไปในทางไม่ดี คิดทำลายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดโทษที่ได้กระทำไว้นี้ทำให้จิตใจวุ่นวายแล้วก็แล้ว ก, ก็ต้องตายไปในที่สุดนี่คือตัวอย่างของการที่ไม่มีอาวุธคือความเมตตาถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยว ไปมีปัญหากับผู้เพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกันหรือผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วเกิดอารมณ์เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองกันขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นฆาวตกรได้แทนที่จะได้ไปปีกวิเวกบําเพ็ญในป่าก็จะต้องไปบําเพ็ญในคุกในตารางแทนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องระมัดระวัง ต้องมีอาวุธไว้ปกป้องจิตใจไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลายการท้อแท้เบื่อน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติก็จะทำให้ยกธงขาวเลิกปฏิบัติถ้าเป็นพระก็ลาศิกขาลาเพศไปถ้ารักทาถือศีลแปดก็เลิกรักษาไปเลิกปฏิบัติทาเลิกเดินจงกลมนั่งสมาธิ ไปเที่ยวดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าอไปหาขนมอรอร่อยกินดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงไปหาแฟนไปร่วมหลับนอนอันนี้เกิดขึ้นได้แม้แต่เป็นพระบวชมาต้องสามสิบกว่าปีสี่สิบปีก็ยังศึกไปมีเมียได้เนี่สแสดงว่าไม่มีอาวุธไว้ป้องกันพอเกิดกามอารมณ์ขึ้นมา เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติก็เลยเลือกทางออกคือการศิกษาลาเพศไปแล้วก็ไปอยู่แบบคารวาสมีภรรยากันมีข่าวอย่างนี้ออกมาเป็นระยะระยะในบรรดาเกจิทั้งหลายเกจิปลอมทั้งหลายดังแล้วก็ดับพอได้ลาบยศสรรเสริญขึ้นมาได้เงินได้ทองขึ้นมา การอารมณ์มันก็เกิดมีมีเครื่องไม้เครื่องมือให้กามอารมณ์ได้ออกมาอออกมาเล่นมีเงิ น, ม, งนมีทองอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากจะซื้อรถซื้อเครื่องบปนก็ซื้อนี่แสดงว่าไม่มีอารักฐากรรมฐานอยู่ภายในใจพอเกิดข่าศุกศัตรูบุกเข้ามาก็เลยไม่สามารถที่จะ ระงับดับได้แต่ถ้ามีอารักขากรรมฐานแล้วข้าศึกษตัตรูนี้จะไม่สามารถที่จะมาทำลายความเพียรของผู้ปฏิบัติได้เวลามีความย่อท้อก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้านึกถึงพระอาลหันตสาวกผู้ที่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านเป็นอาหันตาสาวกได้เพราะว่าท่าน ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ยกธงขาวท่านก็ไม่ยกธงขาวเมื่อท่านไม่ยกธงขาวท่านก็ลุยต่อไปลุยไปได้มากได้น้อยก็ลุยไปทำไปดีกว่าไม่ทำดีกว่ายกธงขาวแล้วในที่สดุดท่านก็ได้ชายชนะกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านเหล่านี้ได้ สำเร็จได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เพราะว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้นําทางเป็นผู้ถือธงไชเวลาเราท้อแท้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติให้นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนระดับไหนท่านมีปราสาทสามฤ ด, ดูเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติของพระราชามาหากษัตริย์ มีความสุขของพระราชามาอาคัตร์ท่านยังทิ้งมันไปได้อย่างไม่มีความเสียดายเลยเพราะท่านเห็นว่ามันสู้ความสุขที่จะได้รับจากการบรรลุถึงพระนิพพานไม่ได้นั่นเองมีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้างมีอะไรที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้างมีเงินเป็นหมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลก ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจของโลกก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมีพระอาหารหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันตสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตาสาวกเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และการจะหลุดพ้นได้นี้ก็ต้องไม่ยกธงขาว ต้องมีความเพียนอย่างสม่ำเสมอเพียนไปตลอดเวลาได้มากได้น้อยไม่สําคัญขอให้ทําความเพียนไปเรื่อยๆถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะไม่เลิกมันจะไม่หยุดเหมือนไฟที่ไหม้พอมันไหม้แล้วมันจะไม่หยุดจนกว่าเชือ้อเชื้อของไฟมันหมดเช่นไฟไหม้ป่าอย่างนี้ มันจะไหมไปเรื่อยๆถ้ามีเชื้อเชื้อเชื้อให้มันไหมไปมันจะหยุดไหมก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อแล้วผู้ที่มีความเพียรที่ไม่มีการถดถอยนี้ไม่มีการหยุดการหย่อนนี้ก็จะเพียรไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพานจนกว่ากิเลสตัณหาต่างๆได้ถูกทําลายไปหมดแล้วท่านถึงจะหยุดความเพียรนะครัแต่ก่อนนั้นท่านจะไม่หยุด ท่านจะทําไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟที่ไม่หยุดไหม้ดาบใดที่ยังมีเชื้อให้ไฟไหม้เหยู่อ <c oughs> นี่แหละคือความสําคัญของอารักขากรรมฐานจะปกป้องความเพียรของเราไม่ให้ล้มเหลวไม่ให้ล่มสลายเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เกิดได้จากการจากความเพียรเท่านั้นเพียรเจริญสติ เพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้วิมุตติการหลุดพ้นนั่นเองการกระทาเหล่านี้อยู่ที่ตัวของเราเองเราไม่ควรประมาทขอให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนกับทหารที่ออกรบในสงครามก่อนจะออกรบนี่จะต้องมีอาวุธยุธโทโรธปรกรณ์ไม่ได้ไปตัวเปล่าๆถ้าไปตัวเปล่าๆก็ ไปให้เขาฆ่าเท่านั้นเองแต่ถ้าไปมีอาวุธครบมือนี่ไปแล้วจะได้ชัยชนะกลับมาดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติกันขอให้เราตรวจตราดูอาวุธของเรากันอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรามีอาวุธอยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่เรามีพระพุทธานุสติอยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่เวลาเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย เราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาได้หรือไม่เรามีความเมตตาไว้คอยทําลายความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทของเราหรือไม่เรามีอสุภะไว้คอยทําลายกามอารมณ์ความลักความไข้หรือไม่เรามีมรณานสติไว้คอยทําลายความวิตกกังวล ความฟุ้งซ่านต่างๆได้หรือไม่มีหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ต้องมันเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนที่เราจะออกไปบาเพ็ญเจริญสติสมาธิปัญญาต้องมีอารักขะกรรมฐานทั้งสี่ประการนี้ถ้ามีแล้วการบาเพ็ญของเราจะไม่ล่มสลายจะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้ปฏิบัติเองขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจว่ามีมากมีน้อยมีหนามีบางเหมือนกับการทำความสะอาดเสื้อผ้าถ้ามันสะอาดน้อยถ้ามันสกปรกน้อยก็ทำความสะอาดได้โดดเร็วได้ง่ายถ้ามันสกปรกมากมันก็ต้องใช้เวลามากเท่านั้นเอง จิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนี้ก็มีกิเลสตัณห า, าหุ้มห่อจิตใจนี้หนาบางไม่เท่ากันแล้วจิตใจของแต่ละคนก็มีความเพียรความพยายามความสามารถไม่เท่ากันแต่สามารถสร้างขึ้นมาได้ผู้ที่มีน้อยก็สามารถสร้างความรู้ความสามารถต่างๆขึ้นมาได้โดยการศึกษา จากผู้ที่รู้แล้วผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็เหมือนสร้างความรู้ความสามารถขึ้นมาส่วนกิเลส ท, ที่มีอยู่หนาะบางนี่ก็ต้องคอยกำจัดไปถ้าหนาก็ต้องใช้เวลามากหน่อยถ้าบางก็ใช้เวลาน้อยหน่อยผู้ที่บรรลุถึงมีเวลาต่างกันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าบางคนก็เจ็ดวันก็บรรลุได้ บางคนก็ต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องใช้เวลาถึงเจ็ดปีแต่อาจจะช้าหรือเร็วเมื่อบรรลุแล้วผลจะเหมือนกันเวลาซักผ้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจะซักช้าซักเร็วความสะอาดมันเท่ากันฉันใด้จิตเท่บอยสุดแล้วบอยสุดเท่ากันจะบรรลุในยุคสมัยพุทธกาลหรือมาบรรลุในสมัยนี้ ความสะอาดของใจก็เท่ากันความปราเจากความโลภความโกรธความหลงปราเจากกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั้นจะเท่ากันเพียงแต่เวลาที่จะทำให้มันสะอาดนี้มันอาจจะต้องใช้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาขึ้นอยู่กับความเพียรความความสามารถของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับกเกล็ดหนาบางที่มีอยู่ในใจของตนเองต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นต่างกันตรงที่เวลายากง่ายช้าเร็วผลนี้จะได้เหมือนกันถ้ามีความเพียงเพียงแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยกธงขาวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันเหมือนกับที่นักวิ่งมาราธอนเขาวิ่งกัน มีบางคนก็มาที่หนึ่งบางคนก็มาที่สองร้อยสามร้อยเพราะว่าความสามารถในการวิ่งนี้มีไม่เท่ากันกำลังมีไม่เท่ากันความอดทนมีไม่เท่ากันแต่ถ้าพยายามวิ่งไปเรื่อยๆถึงก็ถึงถ้ายังไม่ถึงก็ไม่หยุดวิ่งในที่สุดก็ถึงอาจจะถึงเป็นคนสุดท้ายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ถึงก็แล้วกัน อย่าหยุดวิ่งกลางทางถ้าหยุดวิ่งเมื่อไห่ก็ถือว่าจบลน้มเหลวไม่เป็นท่านี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณากันและนำเอาไปปฏิบัติกันเพราะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้บรรลุถึงผลที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน การได้เป็นพระอารานตสาวกของพระพุทธเจ้ากันนะเกิดจากการมีอารักขากรรมฐานสี่ประการนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาทําลายความเพียรที่จะเป็นตัวผัก ด, ดันใหุ้ธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมาความเพียรจะทําให้เกิดสติขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมา เมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงก็จะเป็นผลตามมายิงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้พวกเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากขลง เอวเมวะอิโตทินางเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหางคิดเปเมวะสมิจตุสัพเเอุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุทธาปจายิโนจตารุธมรมวาธานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปก็เป็นการ ถามตอบ เ, อเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้ตอนที่เปิดใหม่อยู่หลังจากที่ปิดใหม่แล้วก็จะไม่ไม่ตอบปัญหากลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอคำแนะนำมาค่ะว่าการเดินจงกรมเมื่ออธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วก็จะ ออกเดินแล้วก็ภาวนาพุโทโธทุกครั้งที่พุโทโธก็ทําจิตอยู่ได้อยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าจะเปลี่ยนคําอธิษฐานตอนแรกว่าสวดอิติปิโสก่อนสักเจ็ดจบหรือเก้าจบก่อนแล้วค่อยมาเดินจงแบบค่อยมาอธิษฐานพุโทโธใหม่จะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกอยู่ที่ทําหรือไม่ทำเท่านั้นนะ อธิษฐานแล้วไม่ทำํำอธิษฐานแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาถ้าอธิษฐานว่าจะสวดก็สวดไปหยุดสวดแล้วก็จะพุโทโธต่อก็พุโทโธไปก็ไม่มีปัญหาอะไรทาได้ขอให้ทําเท่านั้นกลัวอธิษฐานแล้วไม่ทําพุโทโธได้สองคำแล้วก็ไปคิดถึงแฟนคิดถึงลูกถ้าอย่างนี้ก็อธิษฐานไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร สะอาดทุ่ยทำค่ะเงินราชการค่ ะ, ค, ะคำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากผู้ฝากถามข้อแรกถ้าเรารู้ว่าเพื่อนสนิทหรือญาติสนิทของเราประพฤติผิดในการมเราควรบอกกับคู่ครองของเขาหรือไม่ควรบอกเพราะเหตุใดคะเราไปบอกทําไมเรื่องของเราหรือเปล่าเรื่องของชาวบ้านเราไปยุ่งกับเขาทำไม นอกจากเขาสั่งให้เรามาเป็นยามเราต้องมีรับเงินเดือนจากเขาให้ไปคอยเฝ้าดูว่าเขาไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกเพราะเราเป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างเราให้เราไปคอยสอดส่องดูแลว่าสามีหรือภรรยาของเขาไปมีชู้มีอะไรกับใครหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆก็ไม่ได้จ้างเร า, เราไปพูดทําไม เดี๋ยวเรานะเป็นคนจะเสียเองเดี๋ยวเกิดวันหลังเขามาดีกันมาลักกันใหม่เขาก็จะมาว่าไอ้นี่แหละตัวดีข้อที่สองถ้าเราเกิดโทสะขึ้นแต่ไม่ได้เปล่งเสียงออกมาเพียงแต่ตีเตียนด่าว่าเขาอยู่ในใจถือว่าเราผิดศีลหรือไม่คะแตยังไม่ออกมาทางวาจายังไม่ถือว่าผิดศีลนะ แต่ก็ทำให้ใจรุ่มร้อนเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นโทสะควรจะใช้การเมตตาระ ง, งับใช้ความให้อภัยไม่ไปถือโทษโกรธเคืองคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องหรือเป็นเหมือนเด็กร้เดียงสาทำอะไรไปโดยที่เขาไม่รู้ผิดถูกอีชั่วถ้าเรามองอย่างนี้เวลาเด็กทำอะไรเราโกรธไหมเราไม่ค่อยโกรธเด็กใช่ ก็าเรารู้ว่าเขาทําไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วใครก็ตามที่เขาทาแล้วทําให้เราเกิดความเสียหายก็ให้เราคิดแบบนั้นไปถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครให้อภัยเขาได้คำถามต่อไปจากคุณอ้วนผมอยากบวชนานแล้วแต่ติดเรื่องครอบครัวลูกเรียนม .6 ปีหน้าเอ็นแล้วครับ กับกลายเป็นว่ามีภาระนานอีกหลายปีอย่างนี้บุญที่ผมจะสร้างมันช้าลงนะครับจะแก้ยังไงดีครับก็ออกบวชแนะ่คำถามต่อไปจากคุณนัชยาหนูนิมิตพบเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกจะลงโทษหนูแต่หนูไม่รู้ว่าหนูทาผิดอะไรพระอาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะเอออย่าไปสนใจเรื่องนี้บิดเลยเป็นเรื่องของความฝัน มันไม่มีสาระอะไรสนใจกันเรื่องจริงดีกว่าเรื่องจริงเรามีปัญหาอะไรเราก็แก้มันไปถ้ามันเป็นเรื่องของความฝันก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันคำถามต่อไปจากคุณกนกหนพรข้อแรกอิฉันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ถ้าดีฉันจะกราบไหว้บูชาพระพรหมเทวดาพระภูมิเจ้าที่สวดมนต์บูชาเทวดาหรือไปเยี่ยมชมวัดจีนมัสยิดและโบสถ์ซึ่งมีรูปนักบุญและเทพเจ้าต่างๆดิฉันไหว้เพื่อทําความเคารพสามารถทําได้ไหมจะถือว่าดีฉันไม่ตั้งมั่นในพระรัตนไตายหรือไม่และสามารถบูชาสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะ เวลาเราไหว้คนอื่นทําไมเราไหว้ได้ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เพื่อนไหว้ปู่ย่าตายายไหว้คนที่เขาอายุมากกว่าเราทําไมเราไหว้ได้การไหว้มันไม่ได้หมายความว่าเราไปถือก็เป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมเป็นการให้ความเคารพต่อผู้ที่ที่สังคมถือว่าเขาเป็นผู้ที่สูงกว่าเราเป็นผู้ที่ต่ํากว่าเราก็ควรที่จะทํา หน้าที่ของผู้ที่ต่ำกว่าให้ถูกต้องเท่านั้นเองคําว่าที่พึ่งนี้ความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือให้เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์จะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสั่งให้เราทําทานเราก็จะทําทานท่านสั่งให้เรารักษาศีลเราก็จะรักษาศีลท่านสั่งให้เราภาวนาเราก็จะภาวนา เราจะไม่เชื่อคนอื่นคนอื่นก็บอกเฮ้อย่าไปทําทานทําไปแล้วเสียเงินเปล่าๆเราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าอย่าไปรักษาศีลเลยตายไปก็ศูนย์ตายไปแล้วก็จบไม่มีผลอะไรตามมารักษาให้มันยุ่งยากทําไมนี่คือลักษณะนี้ไม่ให้ไปเชื่อถ้าเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นใครก็ตามมาสอนให้เราทําอย่างนี้เราอยากไปเชื่อเขา เราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวนี่คือความหมายที่แท้จริงของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะคือเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเราเป็นอะไรพระพุทธคุณนั่นเราก็สวยกันปากเปียกปากฉีกศรัทธาเทวะมนุษย์สานังนี่แปลว่าอะไรเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนนั่นแหละเป็นครูพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นครูวันหนึ่งนี่ท่านสอนคน ต้องสี่สามรอบตอนบ่ายก็สอนคารวะญาติโยมตอนค่ำก็สอนภิกษุสา ม, มเณรตอนเด็กก็สอนเทวดาเนี่ยท่านเป็นครูท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าประทำคําสอนก็เป็นคําสอนของครูของของครูของอาจารย์พระอรันตาสาวกท่านก็มามาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนท่านเรียนจบแล้วท่านก็มาทําหน้าที่ต่อเพราะว่าพระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดท่านก็ต้องแก่ตายไปพอแก่ตายไปก็ต้องอาศัยพระอารันตสาวกมาทำหน้าที่ต่อพระอารันตสาวกที่ตายไปก็มีพระอารันตสาวกรูปใหม่มาทาหน้าที่ต่อหน้าที่ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือการอบรมสั่งสอนคำสอนที่จะทำพาให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เป็นการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่นี่คือความหมายของการยึดพระพุทธพระธรรมเป็นสระณะเป็นที่พึ่งก็คือยึดเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาสินแสไม่ต้องไปหาอาจารย์องค์อื่นศาสนาอื่นถ้าเราไปหาศาสนาอื่นแล้วเราไปศึกษาจากเขาแล้วไปปฏิบัติตามที่เขาสอน ถ้ามันขัดกับคําสอนพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะแล้วแต่ถ้าคําสอนของเขายังเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังถือว่าเรายัาง เ, เราก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะอยู่เช่นพ่อแม่สอนให้เราทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเราเชื่อฟังพ่อแม่อย่างนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะว่าเป็นคําสอนที่ตรงกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ถ้าพ่อแม่สอนว่าไม่ให้ทําบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาอย่างนั้นละ่ะเราต้องไม่ไม่เชื่อไม่ฝังพ่อไม่ฝังแม่แล้วเพราะคําสอนของพ่อแม่เป็นคําสอนที่ไม่ถูกไม่เป็นคําสอนที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญพ่อแม่ที่แท้จริงนี้จะต้องการให้ลูกทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญถ้าพ่อแม่สอนให้ไปในทางที่เสื่อมที่เสียแสดงว่าไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริง หรือเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความเมตตาต่อลูกๆลูกๆ ก, ก, ก, ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามคำสอนของพ่อแม่ถ้าเป็นคำสอนที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเช่นพ่อแม่สอนว่าให้ไปแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นเขาอย่างนี้เพราะเห็นว่าคนนั้นเขารวยไปเอาเขามาแล้วจะได้ร่ำรวยถ้ามันผิดศีลก็อย่าไปทาข้อที่สอง พระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปจะมาตัดสู้หรือไม่คะอ๋อไม่จาเป็นเพราะว่าพระโสดาบันมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนคือถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้จิตจะเห็นอริยสัจสี่แล้ว เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากท่านก็จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยการละความอยากทุกครั้งเวลามีความไม่สบายใจท่านไม่ต้องไปหาหมอดูท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนทรงผมไม่ต้องไป เ, เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาท่านจะแก้ปัญหาที่ใจจะค้นดูว่าตอนนี้ไม่สบายใจเพราะอยากได้อะไรหรืออยากมีอะไรหรืออยากให้ใครเป็นอะไร ปัญหามันมีแค่นั้นอยู่ในใจเราพระโสดาบันปัญหาของพระโสดาบันขั้นต่อไปก็คือการอารมนี้เองท่านจะมีความไม่สบายใจเวลาไม่ได้อยู่ใกล้แฟนเวลาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนต่อไปท่านก็จะเห็นโทษของการมีแฟนก็เลยต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เบื่อแฟนต่อไปพอเบื่อแฟนแล้วก็อยู่คนเดียวได้ ท่านก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นพระอนาคา า, า, ามีอนาค า, ามีได้ท่านไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาท่านไปเกิดอยู่ที่ไหนท่านสามารถบํเาเพ็ญการเจริญมรรคผลนิพพานตามลําพันธของท่านได้แล้วเพราะท่านมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วมีคําสอนอยู่ภายในใจคือมีพระอริยสัจสี่คำถามต่อไปจากคุณปียมาศ ถ้าทุกคนในโลกนี้ออกบวชหมดสังคมจะสงบสุขไหมคะก็ขอให้คนแค่รักษาศีลห้าก็พอแล้วไม่ต้องออกบวชหมดแล้วคิดดูว่าวกันถ้าทุกคนทำทำทานและรักษาศีลห้าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรตารวจไม่ต้องมีศารไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องมีไม่ต้องใส่กุญแจบ้านเพราะจะไม่มีใครมารักทรัพย์ของใคร ไม่ต้องมีตำรวจมาตามคอยจับผู้ร้ายไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีความต่างๆไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางเพียงแต่แค่สี่ห้าก็พอไม่ต้องออกบวชแล้วคำถามต่อไปจากคุณเปาโยมเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตแต่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมธรรมหมายถึงธรรมชาติหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคะ ธรรมที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมีหรือยังคำสอนพระพุทธเจ้านี่มันอยู่ข้างนอกเราก็มาปฏิสถานไว้ในใจเราได้หรือยังเช่นสติธรรมเรามีสติธรรมหรือยังเรามีสมาธิธรรมหรือยังเรามีปัญญาธรรมหรือยังนี่คือธรรมที่เราจะต้องขวนขวายสร้างขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาธรรมเราก็จะไม่มีวิวมุติธรรมตามมานี่คือความหมายของธรรมในสติปัฏฐานสี่ คำถามต่อไปจากคุณเจอรี่ลูกศึกษาธทมจากสื่อทั้งหลายฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองมานานแต่ยังไม่เคยปรับไปปฏิบัติจริงจังที่ใดปัญหาคือยิ่งนั่งนิ่งๆยิ่งฟุ้งซ่านดึงกลับมาได้ไม่ถึงสามครั้งก็ฟุ้งอีกแต่ถ้าทำงานอยู่หรือไม่อยู่เฉยๆเวลาฟุ้งจะนึกถึงพูดโธจะได้สติมากกว่าควรทำอย่างไรดีคะ ก็มีสติไปเรื่อยๆพุทโธทไปเรื่อยๆถ้ามีพุทโธแล้วความฟุ้งต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปคำถามต่อไปจากคุณปัตถมาหนูเคยได้ยินว่าบางคนมีปัญญาแต่ไม่มีสติสมาธิก็จะเป็นปัญญาแบบมีกิเลสอยู่ไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง รู้ทุกอย่างแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้หนูควรเริ่มฝึกสติทุกๆวันและนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดปัญญาที่แท้จริงในการตัดความอยากและเป็นอุเบกขาในที่สุดใช่ไหมคะใช่คำถามต่อไปจากคุณนัดเวลานั่งสมาธิตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเหมือนร่างกายเบาหัวหมุน เหมือนไม่รู้ทิศทางกลับหัวกลับหางอยากรู้จักอาการครับว่ามันคืออะไรและมีแนวทางไหนบ้างที่จะแก้ไขจุดนี้ได้บ้างครับมันเป็นอาการของจิตที่มันสร้างขึ้นมาเวลาที่เราภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจเหมือนมันจะเป็นยังไงขอให้เราเกาะติดอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ ถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองคําถามต่อไปจากคุณปัทมาการที่เราดูใจเราเองเหมือนได้เข้าไปดูกิเลสตนเองใช่ไหมคะก็ใจของเราเป็นที่ตั้งของกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองการที่เราดูใจนี่เพื่อเราจะได้เห็นกิเลสเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วเราจะได้จับมันได้ ถ้าเราไม่ดูใจเราไปดูข้างนอกเราจะจับกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันอยู่ข้างในเวลาเราโกรธใครความโกรธมันอยู่ข้างใ น, ใ น, งในแต่เรากลับไปทําร้ายคนที่มาทําให้เราโกรธการทําร้ายคนที่ทําให้เราโกรธไม่ได้ไปทําลายกิเลสที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เราโกรธเราต้องมาทําลายตัวที่ทําให้เราโกรธ ด, ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความเมตตา พอเรามีเมตตาให้อภัยว่าความโกรธก็หายไปถ้าเราไปทําร้ายคนที่เขาทําให้เราโกรธความโกรธอาจจะหายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความกลัวก็กลับมาแทนที่ยิ่งรุนแรงกว่าความโกรธซีเพราะกลัวเขาจะมาทําร้ายเราแล้วพอเขามาทําร้ายเราเราก็กลับไปโกรธเขาอีกมันก็ไม่มีวันจบเส้นเพราะเร า, เราไม่ได้ไปทําร้ายตัวที่ทําให้เกิดความโกรธความกลัวขึ้นมาก็คือกิเลสในใจของเรา พราะเราไม่มองเข้ามาข้างในเราไปโทษคนข้างนอกว่าเป็นต้นเหตุของความโกรธของเราแต่ถ้าเรามองใจเราอยู่เรื่อยเื่อยเราจะเห็นว่าความโกรธของเราเกิดจากกิเลสของเราเกิดจากความอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักก็จะทําอะไรเราโกรธเขาไหมเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาทาอะไรเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา แต่คนใกล้ตัวเราเนี่ยทําไมเรามักจะโกรธเขาบ่อยแล้วกันเดี๋ยวก็ทําอย่างงู้นทํำนี้ก็โกรธเขาแล้วจนในที่สุดอยู่ร่วมกันไม่ได้พอไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็หายโกรธเพราะไม่มีความอยากให้ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วนั่นกิเลส ข, ของเราก็คือความอยากนี่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วอยู่กับไกลจะไม่มีความโกรธใครนะั่นคำถามต่อไปจากคุณบุญมี บางครั้งนอนหลับโดยลืมกราบพระจะฝันร้ายทุกทีถ้าวันไหนกราบพระก่อนนอนจะไม่ฝันร้ายสาเหตุเกิดจากอะไรครับก็สาเหตุก็บอกว่าคุณไม่ได้กราบพระมันก็ฝันร้ายเพราะคุณกราบมันก็้อคุณจะมาถามาอะไรคำถามต่อไปจากคุณสุกเล็กๆที่ปลายเขาข้อแรกการภาวนาด้วยการบริกรรมพุทโธ จัดอยู่ในการทำสติปัฏฐาน4หรือเปล่าครับถ้าอยู่พุโทโธจะอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างไรครับหรือว่าสติปัฏฐาน4ี่คือขั้นของปัญญาแล้วไม่ใช่ขั้นของสมถะคือการทำฌารเจริญสตินี้นอกจากการใช้ร่างกายที่มีอยู่ในสติปัฏฐานแล้วก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ ฉ่นใช้พุทโธนี่ก็เหมือ น, นกับการใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติได้เหมือนกันบางคนไม่ถนัดที่จะใช้ร่างกายถนัดใช้พุทโธก็ใช้พุทโธแทนไปเหมือนกินข้าวบางคนไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวต้มก็กินขา้นขาวต้มไปกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันได้สติเหมือนกันใช้พุทโธก็ได้สติใช้ร่างกายในสติปัฏฐานสี่ก็ได้สติเหมือนกันข้อที่สอง การภาวนาแบบดูจิตของหลวงปูด่ดุลจำเป็นต้องให้ผู้ภาวนาได้สติตั้งมั่นเกิดสมาธิทำก่อนใช่ไหมครับถึงจะดูจิตตามแนวทางขององค์ท่านได้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดใหม่จะเป็นการยากที่จะดูจิตเพียงอย่างเดียวให้ตรงตามแนวทางของท่านใช่หรือเปล่าครับก็ต้องไปถามท่านดูข้อที่สาม วัด ต, ตาสงสารสังสารวัฏและจิตแต่ละดวงที่เราต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่นั้นใครเป็นผู้สร้างมาครับสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้อย่างไรทำไมเราต้องเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากตรงนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับก็มีอวิชชาปัจจยาสังขาราะไเียที่เรียกว่าปัจจสมมุบบาทเนี่ย ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากอาวิชชาอาวิชชาปัจญาสังคาราอาวิชชาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งออกไปก็ไปออกไปทางกิเลสตันหาความโลภความอยากออกไปทางอุปทานไปทางการเกิดแก่เจ็บตายมีอวิชชาคือความหลงเป็นผู้สร้างพบสร้างชาติขึ้นมา ผู้ที่ต้องการทําลายภพชาติก็ต้องไปทําลายอาวิชชาสิ่งที่จะทําลายาวิชาได้ก็คือวิชาวิชาก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําลายความหลงความไม่รู้คืออวิชชาด้วยธรรมด้วยอริยสัจสี่ผู้ใดมีอริยสัจสแล้วผู้นั้นจะสามารถทําลายอาวิชชาทําลายภพชาติได้หมด คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เห็นและรู้อะไรใหม่ๆก็ตื่นเต้นค่ะเห็นว่าที่เราเสียใจเพราะต้องการคำชื่นชมเพราะมีเราที่ต้องการพอรุก รูกเสียใจก็หายเป็นปิดทิ้งปกติเราจะเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดเป็นอารมณ์พอมีสติรู้ทันก็เห็นมันดับไปมีวันหนึ่งเห็นความคิดที่จะปรุงเป็นอารมณ์แต่อยู่ๆจิตก็แยกออกจากความคิดนั้นเป็นแวบหนึ่งก็รู้สึกใจเป็นอิสระปฏิบัติดูไปแบบนี้ได้ไหมคะหรือต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกคะ ปฏิบัติแบบไหนก็ได้ขอให้ตัดกิเลสได้ก็ใช้ได้ครัำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคุณสมบัติประจำตัวของนักปฏิบัติที่คนภายนอกพอจะสามารถประเมินหรือวัดได้คือการดูจากอากัปกิริยาท่าทางว่ามีสติหรือไม่มีสติไม่ว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเสียงดังรวมทั้งการแสดงออกเมื่อมีสิ่งมากระทบ หรือแม้แต่การดูได้จากความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พักอาศัยของนักปฏิบัติผู้นั้นเหมือนอย่างที่หลวงตาว่าคนที่มีสมาธิแล้วจะสะอาดเป็นระเบียบทั้งสถานที่อยู่และภายในใช่หรือไม่คะคนที่จะดูคนอื่นได้นั้นต้องดูตนเองให้ได้ก่อนต้องรู้ตนเองก่อนถึงจะรู้ผู้อื่นได้ คนที่ไม่ปฏิบัตินี้จะไปดูคนปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาสร้างภาพขึ้นมาหรือเป็นภาพจริงภาพลวงก็มีภาพจริงก็มีแต่คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงดังนั้นต้องดูตัวเองให้ได้ก่อนต้องเห็นว่าตนเองเป็นผู้ปฏิบัติก่อนแล้วถึงจะเห็นผู้ปฏิบัติคนอื่นได้เหมือนกับคนที่จะดูเพชรเนี่ยต้องดูรู้จักเพชรจริงก่อนว่าเป็นยังไง แล้วเวลาเห็นเพชรปลอมก็จะรู้ว่าเป็นเพชรปลอมแต่ถ้าคนไม่รู้จักเพชรจริงเนี่พอเห็นเพชรปลอมก็จะคิดว่าเป็นเพชรจริงได้อย่างนั้นสําหรับคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองคนที่ปฏิบัติได้ว่าเขาเป็นปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติตปลอมก็ดูไปก็ก็ยังดีถ้าดูว่าเขาเรียบร้อยสะอาดก็คิดว่าให้เขาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แล้วกันดูว่าต่อไปเขาจะรักษาความสะอาดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆหรือเปล่า ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนในใจเห็นปุ๊บปับ๊บเห็นปั๊บก็เชื่อว่าเขาบรรลุเลยดูไปเรื่อยๆเข้เาใจไหมจบคำถามต่อไปจากคุณสลันผมได้ภาวนามาพอสมควรได้รับความสงบจากการปฏิบัติตามกําลังสติปัญญาของตนเองไม่สงสัยเรื่องการภาวนาแต่ปัญหาคือ อาการของจิตที่เคยสง บ, สงบอยู่เป็นประจำนั้นเมื่อไม่นานมานี้จิตได้รวมลงแล้วเกิดมีอาการคือจุดที่จุดที่จิตเข้าไปสงบพักตรงกลางหน้าอกนั้นมันขยับขึ้นมาอุปมาเหมือนเราดึงแท่งหินที่ติดแน่นอยู่ให้ขยับขึ้นมามีเสียงดังส น, นั่นพอขึ้นมาได้แล้วก็หมุน แรกๆหมุนเร็วมากโดยหมุนทวนเข็ม น, นาฬิกาแล้วก็ค่อยๆช้าลงในองค์ภาวนานั้นก็กำหนดดูเฉยๆไม่ตื่นเต้นเนื่องจากได้พบนิมิตมาพอสมควรสติก็รู้อยู่ว่าเป็นอาการของจิตแสดงให้เห็นแบบนี้พอจิตถอยออกมารับรู้ลมอันละเอียดเกิดความรู้อันหนึ่งผุดขึ้นมาในใจว่าไม่มีเราในเราไม่มีเราในท่านผู้อื่น ไม่มีท่านผู้อื่นในเราจิตพิจารณาธรรมอันนั้นได้ตามความต้ได้ความตามขั้นตนเองคราวนี้พอกําหนดพุดโทโธคราวใดพอจิตจะกลับเข้าไปสงบคําที่เกิดขึ้นจะวิ่งเข้ามาแทนคําบริกรรมพุโทโธกลายเป็นไม่มีเราในเราไม่มีเราในท่านผู้อื่นไม่มีท่านผู้อื่นในเราแทนแล้วก็สงบเพียงแค่ลมละเอียดไม่ยอมทิ้งลม จิตไม่ยอมลงไปสงบลึกกว่านั้นเหมือนเคยเหมือนกับว่าจิตจะพิจารณาแต่มันไม่เป็นไม่ไปพอจิตมากำหนดดูว่าอะไรคือเรามันเงียบมันหาเราไม่เจอถ้าพิจารณาอันอื่นพอได้ไม่ติดขัดไม่ได้ทุกข์หรือสงสัยเพราะผมเคยติดในบางเรื่องหลายปีจึงหาทางแก้ตกแต่พอฟังเทศที่พระอาจารย์สอนจึงได้พิจารณาว่า ถ้าได้รับการแนะนำสั่งสอนอาจพาจิตดำเนินต่อได้เร็วกว่าทุกวันนี้เวลาภาวนามาถึงจุดนี้ค้ายเห็นประตูอยู่แต่ไม่มีปัญญาเปิดจิตมันเฉยเฉยเหมือนไม่อยากรู้แต่ก็ระลึกว่าชีวิตไม่รู้วันตายถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ อยู่ว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าแก้ได้จะไม่เนิ่นชา้าจะได้เดินต่อไปในข้อวัดของตนเองผมควรกำหนดพิจารณาเช่นใดเมื่อจิต ด, ดาเนินมาถึงตรงนี้ครับก็ไปพิสูจน์ดูของอะไรที่เราคิดว่าเป็นของเราแล้วก็ยกให้คนเดินไปดูดูว่าจะยกให้เขาได้หรือเปล่าบ้านที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ยกให้เขาไปรถที่เป็นของเราก็ยกให้เขาไป ภรรยาสามีก็ยกให้เขาไปบุตรทิดาก็ยกให้เขาไปสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างก็ยกให้เขาไปหมดในเมื่อไม่มีเราแล้วมันจะมีอะไรเป็นของเราบ้างดูซิว่าเราจะยกให้เขาไปได้หรือเปล่าหมดแล้วใช่ไหมใครอยากจะถามต่อไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิย์พิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ